พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่าพุทธประวัติและตายแล้วไม่สูญเสียงเอ็มพีสามของหลวงพ่อทุกแผ่น ออกมาแล้วก็เสียงชัดแต่เนื้อหาสาระนั้นก็สุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ฟังเป็นผู้วินิจฉัยแต่บางคนก็เออหลวงพ่ออินฟังพูดง่ายเข้าใจง่ายผู้จะพูดอย่างนั้นก็มีแต่บางคนเขาโอ้ธรรมะหลวงพ่ออินธรรมะพื้นๆพูดอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นก็มีแต่บางคนก็โอ้ฟังเทศหลวงตาฟังแล้วไปค่อยเข้าใจ แต่มาฟังเทศหลวงพอ่ออินเออก็รู้สึกว่าเข้าใจแต่ถึงยังไงหลวงตาเนี่ยธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อยกไว้ที่สูงาาธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อยกไว้ที่สูงแต่ผู้ที่ฟังคณะจะทัดทาญาติโลวงผู้ฟังผู้ได้รับการศึกษาใหม่เนี่ยฟังแล้วอาจอาจจะไม่เข้าใจเพราะเหตุเพราะเหตุว่าธรรมะของครูบาอาจารยนะ์เป็นธรรมะขั้นสูง ฟังแล้วเข้าใจได้ยากและอีกอย่างหนึ่งท่านยกบาลีมาแล้วท่านไม่แปลแนวอรยิยสัจสีนะปฏิกูณนะอสุภาษณ์นะมักแปดนะท่านก็พูดไปเลยกรรมาฐานห้านะนั่นก็พูดไปเลยแต่หลวงพ่อเนี่ยได้รับการศึกษามาแต่กอไก่ขอไข่ศึกษามาจากหลวงปู่ล่าที่ท่านพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เพราะนั้นเราจะต้องในประจึกษาในธรรมวิภาคไปท่องในนวกขวนันท่องจนจําหมดทั้งเล่มเลจากนั้นเราก็ยังเออท่านพูดออกมาเราก็จับประเด็นได้ท่านพูดแนวไหนแนวทางกิหิปฏิบัติสําหรับญาติโยมเรื่องวัฒธรรมวิภาคเรื่องต่างๆเราก็จําได้พอจําได้ทีนี้เราก็เออคณะสัตยา ญ, ญาติโยมหรือผู้ที่ไม่ได้เรียนบาลีเนี่ย คงจะเข้าใจยากเหมือนสมัยเราแต่ก่อนนะเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับธรรมะหลวงพ่อจะย้อนกลับมาพูดอีกกรรมฐาน5นะันคืออะไรเกสาผมโลมาข น, นขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังทำยังไงจึงว่าเป็นกรรมฐานพิจารณายังไงจึงว่าเป็นกรรมฐานพิจณ า, า, า, ายังไงจึงเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกิเลสเป็นสุภา สุภานั่นคืออะไรคือความสวยงามอสุภาพนั่นคือความไม่สวยงามหลวงพ่อจะอธิบายแปลให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจหลวงพ่อจึงพูดไปอย่างอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้เรียนมาตั้งแต่เริ่มอย่างที่ได้เรียนให้คณะจต่าย ญ, ญาติโจมได้ทราบนั่นอ พ, อ, พอนักเรียนหัวเทือกนั่นเพราะนั้นมาถึงตัวเองก็ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงหรือได้รับการศึกษาดี เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วผมฟังดูแล้วเออลำคาญหนะลวงพ่ออินพูดย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมาใหแต่ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่เออใช่เข้าใจที่ท่านพูดให้ฟังเนี่ยเข้าใจนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราจะเอาจุดไหนที่ไหนที่จะมาฟังจุดนี้น่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็เลยเอาทั้งสองอย่างผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงก็ฟังในระดับหนึ่ง ตาผู้รักษาผู้เข้ามาศึกษาใหม่ก็ได้ฟังแนวในแนวหนึง่งะเพราะนั้น Mp3 ของหลวงพ่อขอให้คณะสัตย า, าติยอมนำไปฟังกันกานกลองไต่ตองเหตุและผลอย่าไปฟังเสียงสำเนียงภาษาเนะพราะภาษานี่ภา ษ, าษาภาคกลางจะให้เหมือนภาษาภาคอีสานก็ไม่ได้ภาษาภาคอีสานจะให้เหมือนภาษาเชียงใหม่ก็ไม่ได้ พ่อภาษาเพราะนั้นเราอย่าไปฟังภาษาฟังเนื้อหาสารธรรมะที่หลวงพ่อแสดงออกไปเนี่ยอย่าไปพูดโอ้หลวงพ่ออินพูดภาษาไทยไม่ชัดพูดภาษาไทยไม่ชัดใช่หลวงพ่อไม่ได้เรียนพุทธนาพจจนานุกรมมาตลอดจะไปชัดได้ยังไงพอหลวงพ่อเป็นอีสานทางดุน่นแล้วก็พร้อมกันก็ เผ่าของหลวงพ่อนเป็นเผ่าภูไทยอีกต่างหากไม่ใช่เผ่าอีสานนะเป็นเผ่าภูไทยเผ่าภูไทยเนี่ยคือหลวงปู่ฟั่นพวกเราเคยเคยเห็นนะเผ่าพูทธภูไทยหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่จามหลวงปู่กูหลวงปู่กวาหลวงปู่เขียนมหาเขียนรวมแล้วจะเป็นเผ่าเผ่าภูไทยเป็นเผ่าภูไทยอีกพระเป็นพลเผ่านึออ แต่ภาษาไม่เหมือนภาษาลาวปัญญาว่าภาษาภูไทยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะไปพูดให้เหมือนภาษาอื่นก็ไม่ได้เอ๊ะพระภาษาของหลวงพ่อเองเนี่ยทำไมภาษาท่าแม่งทระแม่งอะไรยังไงเนี่ยจะว่าลาวก็ไม่ใช่จะวัดไทยก็ไม่ใช่เป็นภาษาสำเนียงอะไรเนี่ยบางคนอาจสงสั ย, ยเหมือนกั น, เ, นเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปฟังเสียงสําเนียงฟังเอาเนื้อหาสาระ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 ฟังธรรมะฟังหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนาผู้นั้นก็จะได้รับความจิตใจได้รับความผ่องใสนี่แหละอันในสงแห่งการฟังธรรมมีห้าข้อผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังข้อที่1ข้อที่2 ส, สิ่งไหนที่เคยได้ยิงได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นข้อที่สบรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อที่4ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ข้อที่ห จิตของผู้ฟังได้รับความผ่องใสเมื่อได้รับฟังหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนาจากนั้นอีกท่านยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังข้อที่สองจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นว่ามีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่เราได้ฟังเนี่ย อันนี้ว่าจินตามายะปัญญาภาวนามยปัญญ า, า, ญญาคือทําจิตใจให้สงบให้นิ่งซะก่อนคือทําจิตใจให้เป็นสมาธิซะก่อนเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วนําจิตใจที่ผ่านสมาธินั้นนํามากานกรองไตรตรองเหตุและผลอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบมากันกรองเหตุผลอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็น ปัญญาของพระพุทธศาสนาภาวนาบัญปัญญาคือพระพุทธเจ้าทําจิตให้สงบซะก่อนจากนั้นนํามาพิจารณากรมตรฐา น, าาานอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกระดุลพ้นจากอาสวักิเลสอันนี้ว่าภาวนาบัญปัญญาส่วนชุดตรมยปัญญาพวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังและจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้นั้นหาได้ยาก พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องบัญชีแล้วก็เก่งทางบัญชีถ้าเราเรียนรู้ทางวิชากฎหมายเราก็เก่งทางกฎหมายถ้าพวกเราเรียนรู้ทางการแพทย์แล้วก็เก่งทางการแพทย์จะมาเก่งเรื่องพระพุทธศาสนาได้อย่างไรพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์หนึ่งเป็นศาสตร์ที่แปลกกว่าศาสตร์ทั้งหลายพระพุทธศาสนาเนี่เป็นศาสตร์ทำไมถึงว่าแปลกคือศาสตร์ทางโลกเขานี่ ถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนฉายไฟเรามีไฟฉ้อยกระบอกหนึ่งเราส่องไปเราจะไปเห็นสัตว์สาราสิงช้างมา้าวัวควายภูผาป่าไม้สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรามองไปก็เห็นสิ่งทั้งหลายอันนี้คือวิชาทางโลกเราจะเรียนจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราจะเรียนเรียนรู้เรื่องสัตว์หรือเราเลยจะเรียนรู้เรื่องต้นไม้ หรือเราจะเรียนรู้เรื่องคนแต่ละเผ่าพันธุ์เราก็ศึกษาแต่พุทธศาสนานี่ถ้าเป็นไฟฉายท่านส่องเข้ามาหากระบอกไฟฉายหัวเทียนไฟฉายไฟฉายนี่มันแสงสว่างออกมาจากไหนออกมาจากหัวเทียนนี่แหละถ้าดูออกมาจากหัวเทียนท่านก็ให้ดูหัวเทียนดับถึงหัวเทียนทั้งเรื่องเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจทั้งหมด ท่นี้พระพุทธเจ้าท่านให้เรียนศึกษาเรื่องของใจเท่านั้นี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้เรียนถึงเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจท่านยกเป็นพุทธภาสิติเลยว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนั่นแหละหลักของพุทธศาสนาถ้าพวกเราได้ศึกษาเข้ามาแล้ว ท่านให้สนใจเรื่องใจเรื่องนมามธรรมคือใจมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วสำเร็จแล้วด้วยใจท่านไม่ว่ากายนะท่านว่าใจตอนี้เรามาศึกษาทีนี้ศึกษาต้นต่อที่พระพุทธเจ้าของเราบรมครูของพวกเราท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านได้ตัดสู้อะไร พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทําไมพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรทําไมเพราะเหตุใดสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะศึกษาหาต้นต่อค้นคว้าศึกษาถึงต้นต่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกระบินลพัดเมื่ออายุ29ปีท่านครองราชพระบิดามอบราชสมบัติให้เมื่ออายุ16ปี พระ อ, องค์ทรงเข้ามงคลสมรสกับนางพิมพายสโสธลาจากนั้นพระ อ, องค์พระเจ้าจุฑโทธนาก็มอบพระาชสมบัติให้แก่สิท ธ, ธัตถะจากนั้นพระ อ, องค์ก็คลองราชมาจนถึงอายุยี่สปีพอถึงอายุ29ปีในช่วงคลองราชมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ดูแลประเทศชาติพอสมควรแต่นี้ พระ อ, องค์พระเจ้าสุดโททนะก็เห็นว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุยี่สบปีให้ปล่อยมือเต็มที่ในขณะที่ยังคองราดอยู่นั้นพระเจ้าสุดโททนะพระบิดาก็บวันวันวิตกว่าคือโหรได้ทำนายตั้งแต่สิทธะเกิดใหม่พระพุทธเจ้าที่สิทธะของเราทรงประสูตรเกิดมาใหม่พรามได้ทานายว่า ถ้าหากว่าเป็นพระเจ้าจกปกครองปกครองประเทศชาติจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ที่สุดในโลกปกครองแผ่นดินทั้งแผ่นดินแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นศาสนาต้นศาสราหรือต้นพระศาสนาใหญ่ที่สุดเนี่ยชานาหนึ่งในโลกแต่พระเจ้าทุฎโธธนะพระบิดาเนี่ย คำว่าศาสนานี่ก็เคยเห็นเกลื่อนไปหมดทั้งชีปง่งทั้งชีเปวยทั้งศาสนาอื่นๆในอินเดียเต็มไปหมดแต่ท่านี้พระเจ้าจั ก, กรพรรดินี่ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ใหญ่ปกครองแผ่นดินนี่แหละพระเจ้าจุตโธธนะพระบิดานี่ก็ทรงหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะให้ลูกชายของพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิครองเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่อยากจะให้ออกบวช ไม่อยากจะให้เห็นศาสนาอื่นอีกต่างหากในยุคนั้นจากนั้นพระองค์ก็พระองค์พระเจ้าจุโทธนะเป็นพระบิดาเนี่ยเมื่อพระเจ้าเพืธธ่อศีรถะจะเสด็จไปณถิ่นใดที่ใดถ้าทุกวั น, นก็คงจะเป็นกางสแลนผ้าสแลนล้อมรอบแล้วก็มีปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยอะไร ไปที่ไหนแกเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจเดินไปที่ไหนก็มีแต่สีไฟลายทั้งหมดเห็นแต่คนสวยคนงาม เ, าเห็นแต่สิ่งที่หรูหราโอ้อาเป็นที่ประทับใจลักษณะอย่างนั้นเพราะเจ้าฟ้าชายหนุ่มนะ่ถึงจะมีครองราชแล้วกว็เถอะถึงจะมีพัะอาคามเหสีแต่งงานกับเข้ามองคลสมรถกับพิมพ์พายยโสธราแล้วกว็เถอะแต่ก็พระเจ้าจุฑโทธนะก็ยังรักษา ลูกชายเหมือนเพชรในหินเหมือนไข่ในหินรักษาอย่างนั้นนะพอต่อมาเมื่ออายุถึงยี่สิบเก้าปีคณะว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พิมพายโสธราก็ตั้งครรภ์ท้องใหญ่แล้วที่จะคลอดบุตรได้แล้วเท่นีพระเจ้าจุโธโอทนาก็เริ่มเริ่มปล่อยวางมือเท่นี่ให้เป็นอิสระพ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วคงจะอยู่ละเท่นี่คงจะอยู่ครองราชละ คงจะไม่ออกไปไหนละพระบิดาท่านก็บ่อยน่ะในช่วงนี้แหละศิทธะนี่ไม่เคยไม่เคยเห็นที่ไหนๆพอวันหนึ่งก็จะเสด็จไปสวนอุทยานไปเสียจอุทยานกับพูดกับชนะนะนายสวสัีขีม่ม้ารถม้านะ่ะสวัสดีจุดชนะเตีย ม, ม้านะรถม้านะเราจะเสด็จไปอุทยานนะ พอท่านเสด็จไปท่านไปเห็นคนแก่นี่แหละเป็นกุญแจดอกแรกที่สิทตถะของเราเอียสลดใจพอไปเห็นคนแก่ผมหงอกฟันไม่มีหลังค่อมถือไม้เท้าเดินผ่านหน้ามาแต่ก่อนไม่เคยเห็นเนี่ยพออยู่ในสแลนอย่างที่ว่านไปที่ไหนไมิแตไม่ให้สีเวลยสิ่งที่ไม่สีเวลยไม่ให้เห็นแต่นี่เห็นธรรมชาติเลยท่านนพอไปเห็น จิตถาก็ถามอันนี้คืออะไรไปเห็นกัเห็นก็เห็นอันนี้คืออะไรชนะอันนี้คนแก่พระยาฆ่าเอา้าเป็นไงทําว่าแก่คนนะทาไมตายง่ายก็แก่อย่างนี้แหละะ เ, เราจะแก่เป็นไหมเนี่ยเป็นพระ้าค่ะทุกคนต้องไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้แหละโอ้โหถ้าแก่อย่างนี้จะหาความสุขได้อย่างไรเออมันหาความสุขไม่ได้นะคนแก่อย่างเนี้ยดูซิไม่อิสระเลยเนี่ย หลังข้อมอือต่างหากผมขาวอีกต่างหากฟันหลุดอีกต่างหากตาฟ้าฟางอีกต่างหาก อ, อดูแล้วจะหาความสุขตัวผอมอีกต่างหากเ อ, อจากนั้นมาท่านเอกว่ากลับกับชนะกลับกลับเฟียงวังพอกลับมาอีกที่้นก็มาค้นคิดอีกว่าทําไมคนจึงแก่แล้วจะทํำยังไงจะไม่ให้แกะนะ่มีไหมเนี่ยหนทางเนะพอต่อมาอีกก็คิดไม่ตกอีกเหมือนกันพอมาเออปะ ฉันนะไปสวนอีกชมสวนพ่อไปก็ไปเห็นคนเจ็บชักตื่นชักงอที่เขาหามเปผ่านไปต่อหน้าจากนั้นก็เห็นความทุกข์อีกกาบอีกอ ก, ก็มาคิดอีกถึงเหมือนกันจากนั้นก็ไปครั้งที่สมไปเห็นคนตายเขาหามผ่านไปเอาผ้าคุมอันนั้นคืออะไรคนตายอะคนตายเป็นหรือเปล่า็นฮะจะนั้นก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวชใจโอ้ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอ ทอดทิ้งสมบัติออกทิ้งให้พวกเป็นทายาทออกมาเรื่อยๆต่อมาเขามาถึงพระบิดาต่อไปพระบิดาก็ต้องทิ้งสมบัติให้แก่เราเราก็จะต้องทิ้งสมบัติให้แก่พระราชโอรสต่อไปภายภาคหน้าอันนี้จะหาความสุขได้อย่างไรมวนมนุษย์ชาติเนี่ยเนี่ยพระองค์เห็นเกิดความสดสังเวชใจในพระไท ย, ยจากนั้นก็กลับมาอี ก, กมาค้นคิดว่าจะหาวิธีการอย่างไรจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตาย เออที่เห็นเห็นเนี่ยเออแต่ก็ยังคิดไม่ออกจากนั้นพระองค์สเสด็จไปอีกครั้งที่สไปไปเห็นสมณะคือนักบวชนั่งอยู่ที่โครนต้นไม้นั่งอยู่ริมทางนะที่โคนต้นไม้นั่งกัดสมาธินั่งหลับตาปีนั่งอยุ่องค์เดียวท่านก็เห็นเออถ้าเราได้ออกบวชนะถ้าเราออกมาค้นคิดอย่างสมณะองค์เนี้น่ะ เราน่าจะเห็นช่องทางได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ในเวียงในวังเนี่ยภาระธุรกิจของเราเนี่ยมีมากเหลือเกินไม่รู้ว่าบริหารจัดการไม่รู้ว่ารักษาประเทศชาติบ้านเมืองไม่รู้ว่าในเวียงในวังไม่รู้ว่าพระชุกนิกรทำมาหาเลี้ยงจีบเราจะต้องได้คิดกฎหมายบ้านเมืองต้องรักษาให้ความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนราชฎรทั้งหลาย เราถ้าหาว่าเราอยู่ในเวียงวังคงไม่มีโอกาสจะคิดได้เราควรจะมาออกมาเป็นอย่างนักบวชท่านเนี้ยที่ออกมานั่งอยู่อย่างเนี้ยค้นคิดอย่างนี้จึงจะมีช่องทางจากนั้นพระ อ, องค์กเ็เห็นช่องทางเลยเสด็จเข้าไปในสวนออพอกลับมานในเย็นวันนั้นก็ทราบข่าวว่าพิมพายโสธราประสูตรพระราโอรสคือพระลาหลุ่น ประชดขึ้นมาอพอเขาก็มาแจ้งข่าวว่าพระองค์ได้พระราชโอรสแล้ว เ, เป็นผู้ชายพระองค์กคล้ายๆอุทานออกมาโอเครื่องผูกพันเกิดกับเราแล้วเครื่องผูกพันเกิดกับเราแล้วคือว่าราหูนะราหูนะคือเครื่องผูกพันเอเอท่านก็บ่าพองท่านพูดออกมาว่าราหูนะราหูนะราหูนะ ระหนูนาก็คือเครื่องผูกพันเกิดกับเราแล้วใครเขาว่าคนโบราณเขาว่ารักลูกเหมือนเชือกผูกคอรักสมบัติเข้าของรักสามีภรรยาเหมือนปอผูกศอกรักสมบัติเข้าของเหมือนกับปอกหรือเชือกมัดขากับเสาบ้านเสาเรือนไปที่ไหนก็เป็นห่วงฮะนี่แหละอันนี้เชือกผูกคอไปที่ไหนก็ต้องห่วงลูก อสามีภรรยาเหมือนปอถูกศอกไผ่หลังฮแฮอใครเข้าว่าเเป็นเครื่องที่ทนทุกทรมานสามีภรรยาเอถ้าว่าสมบัติเข้าของเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานคณศสัตธานยติโยมาอย่างนี้ก็เป็นห่วงบ้านถึงจะมาอยู่ที่นี่ก็ยังเป็นห่วงบ้านโอ้น้ำฉ่ำหรือเปล่านะลูกหลานเขาจะดูแลอย่างไงนะน้ําจะถึงหรือเปล่านะฮ้ยโลกเราก็ต้องคิดอันนี้เรา ว, ว่าเหมือนกับ ปอหรือว่าเชือกผูกขาของเราติดกับเสาบ้านเสาเรือนเอาไว้ฮะนี่แหละคนโบราณเขาถือถือเขาพูดเป็นคําบังเผออย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าศีรษะของเราก็เหมือนกันท่ว่ารักหุน่นละเครื่องผูกเกิดกับเราแล้วจากนั้นท่านก็อืมเราควรจะหนีออกจากเวียงวังเหมือนสมณะท่านนี้ออกไปค้นคิดถ้าเราอยู่ในเวียงวังแก่เจ็บตายจะต้องเข้ามาสู่เราแน่นอน เราไม่มีทางออกอย่างอื่นจากนั้นพระพุทองค์ก็กับพูดกับนายชันนะให้เตรียมม้ากลางคืนจากนั้นก็ขึ้นม้าได้กัถึงเที่ยงคืนแลวก็ไม่บอกใครเลยถ้าบอกคนพี่น้องประชาชน บ, บริษัทบริวารทหารตำรวจในยุคนั้นเขาคงจะเอานอนขวางทางม้าออกไม่ได้พระองค์ก็รู้พระองค์ก็เลยขโมยหนีกลางคืนขโมยหนีไป วิ่งจากกรุงกบินพัฒไปถึงเขตแขวงกรุงราชคฤห์ทุกวันนี้เขาบอกว่าถาวัดเป็นลักกิโลนะประมาณ200อกว่ากิโลจากกรุงกบินลพัฒน์ไปถึงแม่น้ําอโนมานาทีจากนั้นพระองค์ก็ได้บวชอยู่ที่นั่นสรงพนวดนะจากนั้นได้ส่งให้ในายชันนะกลับคืนมาพระองค์ก็อยู่ตามลําพังค้นคว้าศึกษา เ, เรื่อง จิตวิทยาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของใจเป็นเวลาถึงหปีค้นควาศึกษาอยู่นั้นที่แม่น้ําที่แขวงคุ้งเขตแขวงพาราณสีบอมเพญอยู่นั้นถึงหปีเนี่วันเดือนหกเพนพระองค์ได้ตัดสู้อะไรนี่แหละที่มาโคง้งมาถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรพระพุทธเจ้าได้เห็นอะไรในวันที่วันได้ตัดสู้นั้น จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้รู้ได้เห็นพระ อ, องค์วันเดือนหกเป็นพระ อ, องค์นั่งทำนั่งสมาธิก่อนก่อนพระอาทิต ย, ต ย, ย์ยังไม่ตกดินยังไม่ยังไม่ค่ำยังไม่ตกดินพระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้านี่ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังนะ นี่และคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าคือนั่งคัดสมาธิแล้วากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นใจของพระองค์จิตของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมนะท่นเนีเพราะจิตใจไม่คิดไปถึงอดีตจิตใจไม่คิดถึงอนาคตแต่ว่าก่อนที่ จิตใจจะรวมนั้นในพุทธประวัติท่านบอกว่ามีพญามารเข้ามารบกวนพญามารก็คือนางตันหานางราคานางอรดีเข้ามารบกวนพออระพ อ, องค์พระไทะองค์จนพระไทะองค์จนปั่นป่วนพอสมควรแต่พระ อ, องค์ด้วยตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ด้วยนางแม่ธรณีจากนั้นพระ อ, องค์ก็ จิตใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระองค์ล้ำลึกชาติผนหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราคณะทหาญาตโยมทุกคนนะจุดนี้ให้ฟังเอาไว้อีกเหมือนกันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าถ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะละลึกลำลึกชาติผนหลังได้อย่างไรเมื่อจิตใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ว ล้ำลึกชาติผลหลังได้คือเกิดยานธัตนะเกิดฌานล้ำลึกชาติผลหลังปุเพนิวาส า, านุสติญาณชาติที่แล้วเรามาจากไหนชาติก่อนๆเรามาจากไหนพระพุทธองค์ได้ระ ล, ลึกชาติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติรู้ได้หมดจะรู้ตรงไหนรู้ได้หมดคือบันทึกไว้หมดในพระไตยของพระองค์อันนี้เราว่าปุเพนิวาส า, านุสติญาณพอถึงเที่ยงคืน พระ อ, องค์ได้ญานทัศน์อีกจุตูปะปาตยานในการจุติของสรรพสัตว์จุติของสรรพสัตว์นี่ยคือจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนแต่ทีนี้คนทําไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งทําไมโง่คนหนึ่งทงําไมฉลาดคนหนเกิดมาทําไมจนคนหนึ่งเกิดแล้วทําไมรวยคนห น, น, น, ห น, น, หนเกิดขึ้นมาแล้วทําไมหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตเออพิกคงพิการทําไมคนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกัน ทั้งที่เกิดมาในท้องแม่ท้องเดียวกันกับแม่กับพี่ๆน้องๆแต่ทําไมไม่เหมือนกันอุปนิสัยทําไมไม่เหมือนกันบุญบา ร, รมีการเป็นอยู่ทําไมไม่เหมือนกันวิญญาณทาไมไม่เหมือนกันอันนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่ากรรมกรรมคือการกระทําคนทํากรรมมาไม่เหมือนกันถ้าว่าผู้ใดทํากรรมไม่ดีในอดีตชาติเกิดมาชาตินี้กรรมชั่วจะให้ผล คนที่โง่คนที่ไม่ฉลาดความจําไม่ดีปั้มปั้มเปอร์เปอร์อย่างเนี้ยในอดีตชาติพุทองค์มองว่าในอดีตชาติเขาหนักไปทางยาเสพติดดื่มสุราคัญชายาฟิน่นเฮโรอีนอพวกเนี้ยถ้ามาเกิดมาชาตินี้เขาจะเป็นคนปัญญาอ่อนเพราะบาปกรรมของเขาในอดีตแต่ถ้าว่าเกิดมาชาตินี้เขาทุกพนภาพทางร่างกายเย็บไข้ได้ป่วยเขาเป็นเพราะอะไร พระองค์ก็บอกว่าคนคนนี้เขาเคยเบียดเปลี่ยนสัตว์เคยลังแกสัตว์เคยทุบทรมานทุบตีสัตว์ในอดีตแต่คนนี้เกิดมาแล้วทำไมตายเร็วทั้งที่เป็นลูกเศรษฐีพร้อมหมดทุกอย่างเขาทําไมตายเร็วพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติของเขาเขาเคยฆ่าสัตว์ เ, เขาฆ่าสัตว์เป็นอาจินเกิดมาพบนิชาตินี้ชีวิตเขาสั้น แต่เขาทำไมจึงมาเกิดมาเป็นลูกคนรวยเพราะว่าอเนกสง์ทานเขามีอยู่เขาได้ทําบุญทําทานไว้แต่ว่าอ น, นิสงสีลข้อที่หนึ่งของเขาไม่ดีเขาจึงได้รับกรรมอย่างนี้นี่แหละอันนี้คือวจุตูปะ ป, ะปะตาตยานการจุติรบกาการเกิดการตายของ ส, สรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์ก็รู้หมดวิถีทางเดินของแต่ละคนแต่ละชีวิตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ว่า กรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้ายกเป็นบาลีขึ้นมากว่าอักตังลุกตังตสยอยู่ปัจฉาตปติลุกตังความชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้คือพระองค์มองเห็นว่า ก, การเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมชั่วเป็นผู้ผานํา ถ้ามีความสุขมีความร่ํารวยเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความผภาสุขทั้งชีวิตเพราะว่ากรรมดีให้ผลบุญกุศลให้ผลแก่คนคนนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัว่าให้ทําแต่กรรมดีกรรมชั่วจึงไหนที่เป็นกรรมชั่วอย่าทําถ้าทําแล้วกรรมชั่วจะให้ผลถ้าทํากรรมดีแล้วกรรมดีจะให้ผลเป็นสุขถ้าทํากรรมชั่วกำชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์แต่นี่คือพอถึง เที่ยงคืนพอส่วนฉว่าง พ, พระพุทธองค์ก็ได้ตัดสรู้เป็นพระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่าใจตรงนี้เกิดมาจับไหนทําไมจึงเกิดเปลี่ยนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรพระองค์ก็แยกแยะดูว่าเป็นเพราะอวิชชากิเลสราคะโทสะโมหะเป็นผู้พานํามาเกิดเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงใช้ตปธรรมคือสินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกันกรองไตรตรองเหตุและผล ชำระใจดวงนั้นให้บริสุทธิ์เมื่อพระ อ, องค์ใช้มักมักแปดชำระใจแล้วพระ อ, องค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละวันในวันเดือนหกเป็นจวนสว่างพระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วพระ อ, องค์ก็บอกได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วสิ่งที่พาให้เรามาเกิดนั้นเราชำระออกจากจิตใจของเราแล้วเหมือนกับ ท่านรู้แก่ใจว่ามมเมล็ดข้าวมเมล็ดนี้นะเนี่ยเออมันมาเกิดมันจะขายายผลได้เพราะอะไรเพราะมันมีเปลือกเพราะมันมีเชือ้อแต่บัดนี้ท่านกระเทาะเปลือกออกแล้วท่านเอาไปนึ่งให้สุกแล้วเอเชื้อที่จะทําให้เกิดนั้นมันหมดแล้วท่านก็ยืนจเนได้ว่ามเมล็ดข้าวมเมล็ดนี้เออปลูกไม่เกิดอีกแล้วจบแล้ว แต่มันศูนย์ไหมมันไม่ศูนย์เพราะมันยังเป็นเมล็ดข้าวอยู่สิ่งที่ศูนย์ก็คือเชื้อของมันเชื้อท้องมันที่จะทําให้เกิดนั้นศูนย์ไปหมดแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะศูนย์ออกจากเม็ดเมล็ดข้าวด้วยศูนย์ออกจากใจดวงนั้นแล้วท่านจัหวัดนิพพานังปรามังศูนย์อย่างนิพพานศูนย์นิพพานนางปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เพราะว่าเม็ดเมล็ดข้าวเม็ดนั้นอะ มันไม่มันยังอยู่แต่ว่ามันเชื้อที่จะพาให้มารบ ก, กวนจะทําให้เกิดอีกนั้นไม่มีนี่แหล ะ, ระพระพุทธองค์ที่ท่านได้ชําระจิตใจพระไทยของพระองค์แต่ว่าเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมในวันเดือนหกเพนนนั้นในวันเดือนหกเพนน์ถ้าได้มานึกย้อนถึงเอออันนี้คือพุทธะแต่ได้มา น, นึกย้อนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา อย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ชาหลวงปู่พุทธหลงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศเนี่ยหลงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านปฏิบัติอย่างไรนี่หลวงปู่มันท่านบอกว่าให้ภาวนาพุทโธนะให้สอนให้ภาวนาพุทโธแต่พระพุทธเจ้าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าจะหายใจเข้าที่หลวงพ่อได้พูดว่าที่นั่นที่นั่งที่ท่านนั่งขัดสมาธิ ที่โคลนต้นโพนั่งขสมาทิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างพระพุทธโลปทีพ่พวกเรามองเห็นต่อหน้าและจากนั้นก็ทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ให้ส่งจิตไปในอดีตไม่ให้ส่งใจไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ ใจิตใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่นี้มาพูดถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าก่อนที่พวกเราคณะสัตา ย, ยาติโยมที่จะหาโอกาสว่าวันไหนว่างๆหือช่วงไหนมันว่างอย่างกลางค่ํากลางคืนอย่างเนี้ยที่มันมีเวลาพวกเรามีเวลาพวกเราก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดับโทรทัศน์ดับวิทยุดับ โทรศัพท์ซะก่อนคือให้อยู่ในความสงบจักช่วงหนึ่งชั่วโมงในช่วงนั้นคือให้เป็นเอกเทศให้เป็นเรื่องของตัวแท้ๆอย่าให้มีเรื่องแปลปรปลอมเข้ามาในขณะที่เราทำความเพียรหรือนั่งภาวนาหรือประกอบพุนงามความดีให้ปิดไว้ก่อนจากนั้นเราเราก็ไหว้พระ阿拉หังสวากาโตสุปฏิปโนนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังตามตามที่เราจะสวดได้ สรวจยอดพักกันก็ได้สวจพาหุงก็ได้สุดแท้แต่เราจะสวดอันไหนได้แต่ เ, าเราเยาอย่าไม่ต้องสวดมากก็ได้สวดเท่าที่จะสวดได้พุทธทางธรรมังสังขังจากนั้นเราก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาคำนี้เนี่ยเราจะว่าอาหางสุกิโตโหมินิโหโมิอเวโรโหมิก็ได้แต่ถ้าเราแปลไม่ได้เราก็ต้องเป็นภาษาใจของเราว่า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 ให้ข้าว่าใจของเรากับใจของทุกวิญญาณให้มีความสุขเสมอการให้ข้าว่าข้าเขาจะไม่เบียดเบียนใครใครคนอื่นก็ใครคนอื่นใดก็จะไม่ควรจะมาเบียดเบียนข้าขอให้ทุกวิญญาณมีความสุขเสมอกันต้องเราต้องการความสุขอย่างไรวิญญาณอื่นทุกวิญญาณก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาะจากนั้นก็เอามือลงจากนั้นเราก็นั่งสมาธิแล้วเจ ขาขวาทับขาซ้ายหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือจะนั่งเก้าอี้อก็ได้ถ้าว่าเรานั่งกับพื้นไม่ได้เราจะนั่งเก้าอี้อก็ได้พอนั่งเสร็จแล้วเราก็เอามือประสานประสานมือกับเรานั่งสมาธิมือขวาทับมือซ้ายหรือว่าก่อนที่จะพอนั่งเรียบร้อยแล้วนะหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ท่านสอนนะพอนั่งเรียบร้อยแล้วท่านให้เอามือ น, นั่งประนมมือขึ้นและในระหว่างอกอย่างนี้ย ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นค่อยเอามือลงคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนเพราะว่าที่เราปฏิบัตินี้พอได้รับธรรมคาสอนมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะนั้นเราจึงน้อมลำลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะ ก, ก่อนจากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงเสร็จแล้วเราจะแผ่เมตตาอีกรอบสองก็ได้คือทําใจให้นิ่งๆจากนั้นก็ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นขอให้มีความสุขอย่างข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินอันนี้คือคล้ายๆวัฒนธรใจของเรา เรามีความโมโหโกธาผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆอยู่ก็ตามแปว่าถึงจุดนี้แล้วเราปล่อยทั้งหมดเราไม่ยึดไม่โกรธไม่เคืองใครทั้งหมดในจั ก, กรวาลเพราะาทุกคนก็เกิดมาใช้กรรมของใครของเราต่างคนต่างรับกรรมต่างคนก็ต่างตายของใครของเราเราก็จะต้องตายของเราอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดในจั ก, กรวาลเนะจากนั้นเอามือลงพอลมกับกำหนดลมหายใจเข้า บริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทธโทอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนนะแต่พระพุทธเจา้าท่านสอนว่ากำหนดลมหายใจรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยนั้นทําให้มีช่องว่างทําให้จิตใจของเราหลุดออกไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นให้มีบริกรรมสำทับด้วยหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโท โธพุทธโธไม่ต้องคิดไปแน่ถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นจิตใจของเราถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นถ้ามันเผลอหลุดไปพยายามตั้งจิตใจให้เข้มแข็งแต่อย่าไปแพ่งนะเพียงแต่ว่าให้เข้มแข็งก็ตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกทําไมมันหลุดไปได้ยังไงจดจอ่อลงไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโะ ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นใจของเราจะรวมเข้าสู่ความสงบจิตใจจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบป๊บลงไปเราจะรู้ได้ทีนี้มันเย็นว่ามันผิดปกติในอารมณ์ด้วยใจของเราพอจิตใจเพียงสงบชั่วครู่เท่านั้นใจของเราก็จะรู้ได้ว่าเออจิตใจของเราสงบจิตใจของเรารวมลงเป็นหนึ่งก็เรียกว่าคัน้นกะสมาธิเกิดขึ้นแล้วกับเราะ นี่แหละสมาธิเกิดแล้วนะทีเนี่ยพราะเราไม่ไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไปทางอื่นเรียกว่าคณิกะสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเย็นจิตใจเย็นผิดปกติแต่เข้ามาเพียงชั่วขณะหนึ่งมันเพียงถูกวาบเข้ามาท่านเองมันก็ออกไปอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่เราพยายามดูใจของเราอยู่ไม่ให้เผลอจากในที่กรรมฐานที่ปลายจมูกของเรากาหนดลมหายใจเข้าพุธ พูดโธพุดโท ร, โทรจากนั้นใจของเราจะก็จะรวมสงบลงคค้าว่าจิตใจอยู่เท่าไรเพราะว่าเราบังคับที่ให้มันอยู่มันก็อยู่อยู่คล้าว่าจิตใจอยู่จิตใจรวมสงบแต่ไม่ถึงสงบเป็นขั้นละเอียดนะเพียงแต่ว่าสติกับจิตเนี่ย เ, เรารู้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรใจของเราอยู่ที่ไหนขณะนี้เมื่อได้ยินเสียงเราก็รู้ว่าเสียงเราก็ไม่ ไ, มได้ส่ง ใจไปตามเสียงเราก็ไม่ได้ส่งจิตไปทางอื่นใจของเราอยู่สติควบคุมจิตอยู่จิตใจของเราคิดเรื่องอะไรสติของเราควบคุมอยู่ในขณะนั้นอันนี้เรียกาอุปจารสมาธิเนี่เป็นสมาธิแล้วนะที่นี่นะแต่ถ้าเรามีความพยายามดูจิตของเราอีกให้แน่วแน่ลงไปอีกใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเทนีลงไปอีก บางคนก็เหมือนกับตกเหวตกบอ่อบางคนก็รวมปุ๊บลงไปแต่บางคนก็ลงไปแบบนิ่งๆเรียบเรียบแต่ว่ามันลงส ง, สงบเงียบท่นีสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท น, น, น, น, น, น, นีสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตนิ่งเสียงทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงคู่เสียงคนเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่ได้ยินทั้งนั้นแต่จิตประเภทอย่างนี้ ไม่รู้ว่ากายตัวเองหายไปไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันแต่ว่าสติกับจิตเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้ชัดเจนในขณะที่จิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเจากนั้นก็บางคนก็นานบางคนก็ไม่นานกระสุดแท้แต่พลังเรือว่าที่เราได้อบรมมาจากนั้นจิตใจก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธินี่แหละจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจุดนั้นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่ศูนย์แน่ตายแล้วเกิดดีเพราะเหตุใดยืนยันด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วมันเด่นมากในความรู้สึกเรื่องใจใจดวงนั้นเด่นมากแต่ร่างกายนี่หายไปนี่แหละตัวใจใจตัวนี้ตัวที่รู้รูนะ้ตัวนั้นะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปเกิดเป็น เทวบุตรเทวดาอินพรหมถ้าเราทำดีถ้าเราทำชั่วแล้วทำกรรมชั่วนั่นจะพาไปตกนรกหมกไหมเรารู้ชัดด้วยตนเองเรายืนยันได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านปฏิบัติอยู่ตามภูผาป่าไม้ป่ารงค์พงไัยท่านภาวนาทำจิตใจให้สงบอย่างนี้ท่านยืนยันด้วยองค์ท่านเองตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะสิ่งที่เกิด น, นั่นคือใจ พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักมากว่ามโนปุพังขมาธรรมาอย่างที่ว่าเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ดูใจร่างกายแต่พวกเราหลักวิชาทางโลกมีแต่เพ่งมองออกไปข้างหน้าแต่หลักของพุทธศาสนาให้เพ่งมองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจ ต้นนี้ล่ะคือต้นเหตุเรื่องทั้งหลายทั้งปวงสรุปแล้วก็คือสรุปให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถอันนี้ได้ชัดมองเห็นได้ชัดรถมีสภาพแต่คนขับรถถ้ารถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันถ้าคนขับไม่อยู่ในรถรถคันนั้นก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีโซเฟอร์ แต่ถ้านีท่านาว่าโซเฟอร์มีขึ้นไปขับรถมันไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะรถมันตายสายผ่านมันหลุดเอหม้อน้ํามันแตกน้ํามันมันหมดมีเยอะแยะไปที่รถจะไปไม่ได้ที่รถจะตายคนโซเฟอร์จะฝีมือคดีขนาดไหนก็ดีแต่ขึ้นไปขับรถตายมันไปไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะเหตุไรนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยมันถึงข่าวหนึ่งมันต้องถึงจุดจบของมันมันจะต้องแตกต้องสลาย เส้นเลือดไปอุดในสมองเส้นอุดเลือดในหัวใจไตาวายมีต่างเยอะแยะคนที่จะตายเพราะฉะนั้นใจของเราจะเข้าไปขับขนาดไห น, นก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายมันหมดสภาพแล้วเ อ, อมันไปไม่ได้มีแต่เน่าลูกเดียวเฟะลูกเดียวแต่ว่าใจที่อยู่ในร่างนั้นนะจะต้องออกจากร่างไป แต่ถ้าว่าทยใครตามกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาไปเป็นเปรตเป็นผีไปตกนรกหมกไหมไปไปสัตว์ทิฏฐิฉานมีมากต่อมากถ้าผู้ใดทํากรรมดีกรรมดีนั่นแหะจะพาไปสู่สุขติโลกสวรรค์ไปสู่พรหมไปสู่นิพพานใจดวงนั้นแหละคือเป็นใจพระอรหันต์หรือใจเป็นพุทธะหรือใจเป็นพระพุทธพระอรหันต์ใจเป็นพระอริยะบุคคลใจเป็นผู้จะไปสู่สวรรค์เอ ใจที่จะไปสูน่นรกไปเป็นเปรตเป็นสัตวติรจารไปได้ทั้งนั้นคือใจเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาเรื่องพุท ธ, ธะให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาให้ฟังเอาไว้ให้ศึกษาเอาไว้ให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเอาไว้แล้วจากนั้นให้ลงมือปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูด วันไหนที่ว่างๆเราเข้าไปในห้องพระหรือว่าอะไรอยู่ในความสงบอยู่ในห้องนอนตัวเองก็ได้แต่ว่ายพระเสร็จแล้วเราไม่ต้องหาห้องพระหรอกเราไหว้ที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราแล้วเรากราบที่ไหนก็คือกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราล้ำลึกถึงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วเราแล้วจากนั้นเราก็นั่งเข้าสู่ความสงบภาวนานี่แหละเป็นหลักพิสูจน์พระพุทธศาสนา ตายและเกิดแลวตายและสูญเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่ได้มาศึกษาแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นหรือแนวแถวของพุท ธ, ธะก็ขอให้พวกเราสนใจใส่ใจและก็ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นพวกเราจะรู้ได้แตต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากเทพจากหนังสือของท่าน จากนั้นเราก็ได้จับมาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติชำระ ก, กายวาจาใจของพวกเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อก็ ว, วิตกกังวลบางทีคณะสัตธายาดโยมผู้ที่จิตใจหวันไหวได้ง่ายเห็นคณะสงฆ์เขาทำอย่างนู้นทอย่างนี้พระสงฆ์ปฏิบัติตนอย่างนู่นอย่างนี้ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในโทรทัศน์เนี่ยเขาออกข่าวพวกเราคววิตกกังวลเอ๊ะทาไมพระสงฆ์จึงทําอย่างนูพระสงฆ์จึงทำอย่างนี้แต่ตามไม่จริงพวกเราไม่ต้องวิตกกังวลในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีไม่ใช่มีแต่ยุคสมัยนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าพวกเราได้ศึกษาไหมในพระไตรปิฎกทั้งที่พระพุทธเจ้าบวชให้เทวทัตพระเทวทัตก็เป็นเชื้อพระญาติพระวงศของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธระเทวทัตเนี่ย เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์นะเหาะเหินเดินฟ้าได้นะไม่ใช่ธรรมดานะแต่ท่านได้ฌานโลกีแสดงฤทธิ์ได้ก่อนที่พระเจ้าอาชาติศศัสสตรูเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสา ร, ร, รจะเคารพนับถือท่านท่านก็แสดงฤทธิ์แล้วเป็นนั่งบนตักเป็นนั่งบนพระเพลาของพระเจ้าอาชาติศัสสตรูเป็นกุ ม, มารนะ เ, เอาผ้าสังฆาติพาดคอให้เป็นงูนะ เออเป็นฮูเป็นเทวดามานั่งบนตักชาติศัตรูเห็นกับสะดุ้งร้องอ้ากเทวดาทัตก็กลับตัวขึ้นมาคายฤทธิ์ขึ้นมาเราไม่ใช่อื่นกาย น, นะชาตศัตรูเราเป็นพระเทวทดา เ, เรามาช่วยท่านอีกต่างหากพระเจ้าศาัตรูโอ้ท่านมีอิทธิฤทธิขนาดนี้เที่ยวเหลอะท่านจะช่วยผมอย่างไรท่านกับแนะนําเลยเด็ดน่คนพรานภารลชนแนะนําำอาชาติศัตรูบาปิดาของเจ้า ของท่านนะพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยยังหนุ่มมากเธอก็เป็นเธอก็เป็นลูกของท่านก่อนที่จะคอยให้พ่อตายซะก่อนเราจึงจะเป็นพระเจ้าเป็นดินโอ้เป็นพระเจ้าเป็นดินเมื่อแก่หาความสุขไม่ได้แร้วหาความสุขหนุ่ไปได้เพราะนั้นให้สําเร็จทั่วถ้าฆ่าพ่อซะได้เป็นพระเจ้าเป็นดินเต็มหนุ่มๆ เ, เออเราจะได้มีความสุขฮะดีไหมนี่แหละพระเทวทัตล้างหัวพระเจ้าซาาตูจากนั้นพระเจ้าถูกเห็นด้วยฮะ จากนั้นเจนได้จับพ่อสำเร็จฆ่าพ่อเนี่ยพวกเราไปกรุงราช จ, จะคือเขาจะพาไปดูเนี่ยในกรุงตรงนี้แหละเขาพระเจ้าชาติัตูขังพ่อไว้ตีนเขาอ่ะเนี่แหละอันนี้ก็นนคือเราทำไมค้งพระพุทธเจ้าแท้ๆ ท, ทำไมจังมีพระอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่แหละเป็นธรรมดาคนกิเลสยุคนั้นสมัยนี้เหมือนกัน ไฟสมัยนั้นไฟสมัยนี้ร้อนเหมือนกันน้ําใส่เป็นน้ําสมัยนี้เย็นเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นกรรมดีกรรมชั่วยุคนั้นสมัยนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราเลือกให้ใช้ปัญญาให้เลือกเอกรรมดีกรรมชั่วมันมีได้ทั้งนั้นแ่ะไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอย่าไปตื่นตนกในข่าวต่างๆสึงไหนที่มันดีก็ดีอย่างเก่าถ้ามันชั่วก็ชั่วอย่างเก่าพวกเราให้เชื่อ แนวแถวของพ่อแม่ครูบาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราเห็นไหมหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพลงไปแล้วอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นพ่อแม่ครูบาอจารย์เกือบทุกองค์สายหลวงปู่มั่นพอท่านมรณภาพเราได้ถวายพระราชทานเพลิงของศพของท่านแล้วอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเป็นสักขีพยานให้พวกเราได้กราบได้วาคําคว่ากระดูกกลายเป็นพระธาตุนั่นคือพระหรหันเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่นตามหลักธรรมคาสอนเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อธิธษฐานของท่านได้กลายเป็นประทัดเราก็ศึกษาแนวทางแนวทางแห่งการปฏิบัติของท่านท่านเดินมาอย่างไรปฏิปทาของท่านเป็นยังไงประวัติของท่านเป็นยังไงทำคําสองของท่านเป็นอย่างไ ร, ำำงงไรพวกเราควรจะศึกษาและก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในปฏิปทาและแนวทางของท่านพวกเราพวกเราจะประสบแต่ความสุข ความเจริญไม่ต้องวิตกกงังวลวันไหวกับเรื่องภายนอกนะให้เชื่อมั่นในปฏิปทารื้วยแนวทางของพ่อแม่กูบ่ายจะแนะนําสั่งสอนอพวกเราอยู่ที่สมุทรสาครสงครามกันธรรมเทศนาของหลวงตาท่านเทศทุกคืนอยู่แล้วนี่ตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปถึงตีห้านั่นแหละให้ฟังแนวทางปฏิบัติของท่านที่ท่านสอนพระหลวงพ่ออยู่นี่หลงพ่อก็ฟังทุกวันเหมือนกันอบอกให้พระเน้นฟังเหมือนกัน นี่แหละคือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะแนวให้พวกเราปฏิบัติพวกเราจะมีแต่ความสุขความเย็นใจนะการพูดการแนะแนวและการแสดงทำความคิดเห็นในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีงลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน